นะฟังทำกันนะ้องมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วออกไปทำการฟังทำก็คือการฟังเรื่องที่เกิดกับกากับใจเรานี้สิ่นที่เกิดกับกากับใจ สามารถเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ให้เอาไปทำเครื่องมือเลี่ยนความร้ายเป็นความดีคือสติให้เอาไปชาประกอบขึ้นมาถ้าไม่ประกอบก็ไม่มีอาจจะมีก็ต่อเมื่อเราประกอบขึ้นมามีสติไปนในกายเป็นเจ้าถิน่น ให้อาศัยกายเป็นทีิตั้งของความรู้สึกตัวอาศัยจิตใจเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวอย่าให้กายให้ใจเป็นทีิตั้งของความหลงความทุกข์ความโกรธที่เลือ น, นหาโบราณท่านว่าเตินตอนเจ้าใี้เก่าหลังยาม ตื่นตอนเช้ามีก้าหลังยา ม, มก้าหลังยามยามอะไรบ้างไอหัให้แตกแขกขึ้นบ้านให้ไล่นนี้มีชีอค่าสิบคนใช่จนวันตายตายของเราใจของเราเนี่ยสามารถสร้างมักสร้างผลได้ ดูจริงชีวิตของเราที่ผ่านมาถึงปูนนี้เราทำอะไรพอที่จะคูมใจยกหมวไหวตัวเองได้ไหมเ่อเพื่อนอะไรมาเราใช้ชีวิตมาแบบไหนอะไรที่เป็นธรรมต่อกายต่อใจเราผ่าน พอจะได้อาศัยได้บ้างไหยอ้างได้ไหมเราไม่เคยทำบาปสองกรรมอะไรไม่เคยเบียดกันใครกครในโลกหนึง่งมีความบริสุทธ์ขนาดนี้บ้างหัหยพอจะมีที่พึ่งอตื่นตอนเช่ามีก้าหลังยามไม่อะไรที่เป็น ที่พึงอักษเมที่พึงอันสูงสุดในชีวิตเราที่เกิดมานี่ทำความดีละขวางชั่วสำเร็จป้างยามมักเก้าหลังยามมีมักสี 9, ่ 4, ผลสี่อะไรที่เป็นมักเป็นผลทำสำเร็จเป็นผลทียอย่ง เ ม, มื่อมรรคสีหุนสีมีแล้วรวมกันเป็นแปดก็ย่อมมีนิพพานต่างมรรคสร้างขอนให้เกิดขึ้นมาในกายคองสอกยา ว, วาดาคืบนี้มีธาตุลู่อินยานธาตุคือ ฟองรู้อะไรได้พัฒนาได้ใช่ <c oughs> ไม่ประกอบความดีมันก็ไปจมอยู่กับขวางชั่วเพราะลดของโลกไม่มีมากกายของเราจเป็นรูปโลก นามก็เป็นรูปโลกนามโลกกายของเราเป็นรูปสมมุตินามก็เป็นนามสมมุติเป็นบัญญัติวัตถุอาการต่างๆตาเห็นรูปกมีอาการเกิดขึ้นนั่นหูได้ห็นเสียงก็มีอาการเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจมูกได้กลิ่ น, นได้รสการสัมผัสที่ใจคิดมีอาการ แต่ก็เล่นไปตามหลการนั้นสมมุติหวัเหตอยเกิดขึ้นซ้มไปชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแล่นไปตามรสของโลกอะไรก็มารวมอยู่ที่ใจแต่ก็เลยจากใจใจิตใจปุีิจุดก็เปิดเพื่อน แต่ก่อนนี่จิตนั้นบริสุทธิ์อยู่เสมอแต่อุปาจิเลตมันจรมาทําให้เศร้าหมองยอมเข้าหลังยามยามได้อะไรบางได้มักสีผลสีลมักทําผลให้เกิดขึ้นให้มันสมเด็จบ้างฝังเฉียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระศรัทธา ทุกคนทุกคนในเสมือนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นสามารถทำได้มีจิตที่ร้อยเบิเชิญกายใจของเราถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกมันก็พึ่งงันไปได้ ลา้คุ้มดีผู้ผูแบบแบบ้แปรแปรกงคินก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดอังคืนเป็นขวามกลางวันเป็นเตวทุกชนอยู่นิ่งไม่เป็นหมวนลิง สองสิบปีผ่านมาเอาไปทำวันรสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีทำวะไรโดยพัฒนาจิตใจบ้างไหมเสียเวลากับเรื่องใดมากที่สุดขนหัวลูกนะั้งสองสิบปี ปล่อยกาปล่อยใจทิ่งไงไม่เคยช่วยการช่วยใจเลยไม่เกิดมากเกิดผลที่กาที่ใจเลยปวดเว้นเยอะๆคิดอะไรก็คิดได้มาดูจบสอนจิตสอนใจพัฒนาจิตใจของตนเอง พอมามีสติเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใเจะแ้กก็ด้านมากไม่ค่อยเห็นความสําคัญของความคิดว่าได้ดูแลจิต่อให้จิตคิดไปทุกทุกลูปแบบพอมามีสติมันก็เห็นอะไรที่มันผิดมันถูก เาหยอนแกะความผิดเป็นความถูกสนุกเปนงานเปนงานนําชอบที่สุดได้ประสบการณ์ได้บทเรียนสิ่งที่ไม่ดีวาจเป็นความดีสิ่งที่ไม่ถูกมันกายเป็นความถูกขึ้นมาถ้ามีสติมันจะเป็นเกณฑที่วัดบอกผิดบอกถูก ละหวงชั่วได้ทำความดีปิด ก, ก็บริสุทธิ์หมดจอดจากเครื่องเส้าหมองมีโรคโกดหลงเป็นต้นพอบริสุทธิ์ไปสีขึ้นไปมั่นคงขึ้นไปมีที่ตั้งมีที่อยู่ หอกับบ้านของจิตคือปกติจิตมีบ้านอยู่สติเป็นสิ่งเวล้อมทำให้จิตมีบ้านกลยว่ากลับบ้านกลับบ้านเหมือนกับพ่อแม่ผู้เจ้าจึงเตียบสติ สัปัญญะเหมือนกับพ่อกับแม่คอยดูเลยกายใจเราคนเหมือนคนมีพ่อมีแม่ชีวิตที่มีพ่อมีแม่ไม่ปล่อยทิ้งไม่ต้องเรียกร้องอวบกอดกับใจนี่รูปกับนามนี่มันเป็น อุปการและขนของสติถ้าเราประกอบขึ้นมาถ้าไม่ประกอบขึ้นมากอยู่ในมานเอาไปหลงหลงมีพิษมีภัยเยอะคนมีภัยถ้าเรามีสติ ก็ปลอดภยัยไม่มีภยัยไม่มีค่าศึกไม่มีอันตรายเรียกว่าปลอดภยัยชีวิตที่ไม่มีภยัยเรียกว่าพระอายะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งมันมีขึ้นได้ในการในใจเรานี่สามารถ สร้างมากสร้างขนึข้นมาเมื่อมันเกิดความดีมดเกิดที่กายที่ใจแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อกูลเกิดความดีขึ้นมากมายไม่ต้องมีคุก ม, มีตล า, างเพราะคนกน็เป็นคนดีดูแลตัวงคุ้ม มีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจกาใจก็ปลอดภัยมันมีทุกมีโทษจนทำขึ้นมาปล่อยให้ความไม่ดีอยู่ที่กายที่ใจไม่ได้กระตืรือร้น ถ้าเราครอบฉลาดแล้วครับความปกติแล้วผิดปกติเมื่อใดก็เป็นนั้นว่า <c oughs> <c oughs> เป็นงานชอบขึ้นมาเห็นแจ้งรู้จริงก็ถือร่นแจ้ความผิดเป็นความถูกแค่ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทุกลูกทุกแบบเมื่อทได้ คุณนำความดีเกิดขึ้นที่ลูกที่นามแล้วควรคอคิดถึงคนอื่นสมือนพ่อแม่ได้เลยมาคิดถึงลูกความดีที่เกิดขึ้นกับกากระไรเราก็มีบุคคลเกี่ยวข้องที่เราต้องทิ้งไม่ได้เป็นเพื่อนกันจะเจ็บใาด้วยกันจะรีบไปบกปวกไปสอน ไม่ปล่อยทิ้งเห็นคนหนึ่งทุกข์ก็อยากช่วยเหลือไม่ทุกข์ก็ได้เห็นคนโกรธก็อยากช่วยเหลือไม่โกรธก็ได้บอกช่วยเป็นเพื่อ น, นไม่ปล่อยกันทิ้งเสียดายเราเคยเสียเปรียกความโกรธเราเคยเสียเปรียกความทุกข์วันนี้เราไม่ได้เสียเปรียบความโกรธความทุกข์ความชั่ว มันก็เห็นใจคนอื่นก็เป็นการช่วยคนอื่นอยากบอกอยากศอนก็ได้บอกได้สอนแล้วก็ถือว่าไม่ใช่ความผิดของเราไอ้ได้ยินเอาไว้ว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เหมือนจริง มีพูดอย่างนี้หวงหลงไม่จริงควงไม่หลงเหมือนจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธเป็นจริงจะชอบความจริงหรือชอบความไม่จริงเลือกได้เราโดยที่หว่นหลงก็มองถึงความไม่หลงคือรู้จักตัวเราโดยที่มันไม่ทุกมองถึงความไม่ทุกข์อย่าไปจนตรงกันข้ามสองอย่าง ถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามย่อมเห็นได้ง่ายนั้นบ้านตรงกันข้ามอยู่คนเราฝั่งทางถ้าเห็นหลังหนึ่งก็เห็นหลังหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจเรานี่มันไม่ตรงกันข้ามพระศิท ธ, ธัตถะได้เห็นอย่างนี้เป็นเกนเห็นควรเกิดก็ย่อมมีความไม่เกิดเห็นความเจอย่อมมีความไม่เจอ เห็นความเจ็บย่อมีความไม่เจ็บเห็นความตายย่อมมีความไม่ตายจะถามใครๆก็ไม่มีใครตอบได้เป็นผูโจทย์ของพระจิ ธ, ธาเะศึกษาเรื่องนี้โดยรูปแบบต่างๆใช้เวลาอยูห6ปีทำผิดพลาดหลายแบบหลายอย่าองออกมาศึกษาด้วยตัวเอง ด้วยธรรมมาหลายแบบไม่ใช่มาได้วมามีสติปายนกายอยู่เป็นประจาก็เห็นอาการต่างๆที่เกิดกับกายขึ้นมาได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปขาก็เห็นช่องเห็ น, น, น, นทางคืนเดียวเท่านั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าบวิขึ้นในโลก เอากายเอาใจเป็นตำร า, าวิสติเป็นนักศึกษาจนมาบอกว่าสอนพวกเราได้ปฏิบัติตามมาถึงพวกเราทุกวันนี้จากการสอนเรื่องนี้นต้นต้นพุทธก่อ เทศนาเรื่องนี้ในวันเป็นเดือน8มีผู้บรรลุธรรมจากวันเป็นเดือน8ถึงวันเป็นเดือน3เป็นพลหารเกิดขึ้นมีผู้ปฏิบัติตามมีเป็นพลทหารเกิดขึ้น 1,250 รลูกพอใน8เดือนเนี่ย ทั้งๆที่มันมีวัดวารามมันเป็นจริงอย่างนี้ของจริงของไม่จริงอยู่ที่เราเรานี่เลือกได้ความหลงไม่จริงอ่ะมไม่หลงมันจริงให้ได้ยินต ไ, ไว้นคราวใดที่เราหลงจะได้มี จะได้ไม่จนจะได้รู้จักตัวนเนภาว่าเช่นนั้นเราได้เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเคยรู้จักตัวลแล้วมันก็นำไปใช้ได้ทุกรูปแบบว่าเออความรู้จักตัวนี่อะไรที่มันเกิดสริงใดที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจให้มาหลงที่ความรู้จักตัว รวมรู้สึกตัวเสมือนกับลอยเท่าของช้างอาการที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจมากมายเหมือนลอยเท่าของสัตว์ทั่วๆไปแต่ลอยเท่าของสัตว์นั้นแม้มีจํานวนมากก็ามารวมลงที่ลอยเท่าของช้างได้ก็ เ, เป็นลอยช้างไปเลยไม่ใช่เป็นรอยเท่าสัตว์อื่นๆถ้ามาลงที่ลอยเท่าช้างก็เป็นลอยเท่าของช้าง คือสตินี่เหมือนลอยเท่าของช้างความอาการต่างาๆที่เกิดขึ้นกับกายมากมายมาลงที่ความรู้จักตัวก็เป็นความรู้จักตัวทั้งหมดปืนทั้งหมดคือความรู้จักตัวควมรู้จักตัวให้หัดอย่างนี้อย่าเอาเหตุเอาผลฝึกหัดเบื้องต้นวิธีใดที่รู้จักตัว เรื่องง่ายงรูปแบบความอรรถสมปัญญายบัพเะผู้แขียนเข้าเยี่ยนหนอกอยู่นี่กลับมานีกลับมา น, มานีให้หัดอย่างนี้หัดเปใหม่เหมือนกับว่ากลับมาปฏิบัติกลกลับมาล ก, ก, กลับมาลู่สิบตัวกลับมาลู่สิบตัวนี่แหละสร้างมรรคสร้างผลโดยสร้างอย่างนี้ อะไรเกิดขึ้นมาเกิดควารู้จึกตัวกําลังเป็นมรรคเป็นผลความหลงรู้สึกตัวทําแล้วพ้นจากควาหลงแล้วเป็นผลแล้วสร้างมรรคสร้างผลความหลงเป็นเหตุความรู้สึกตัวเป็นผลขณะที่ประกอบกับความรู้จึกตัวนี่เป็นมรรคกาลังทําอยู่นี่เว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมันเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้ จนว่ามันหมดจนว่ามันเย็นจนแม่ไม่เชื่อควมรู้จักตัวเนี่ยจะเหมือนว่าบอกคืนไม่ต้อนรับไม่ให้ค่ามาให้ที่อาศัยผมรู้จักตัวเสมือนจึงได้เกิดขึ้นบอกคืน สิ่งใดเกิดขึ้นรู้จักตัวไม่ต้นล้อชิงที่เกิดขึ้นจิ่งใดเกิดขึ้นไม่ให้ค่าไม่มีค่าผมรู้สึกตัวมีค่ากลัวสิ่งใดเกิดขึ้นกับกาย ก, ก, กับใจไม่มีที่อาศัยแล้วก็บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเส้นสมองข้างเล้วข้างเล่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีขานเปลี่ยนร้ายเป็นดี บริสุทธิ์ก็หมดได้จิตบริสุทธิ์ได้หมดจอดจากเครื่องเศ้าหมองได้ดูดพ้นได้พ้นภาวะเก่าได้ก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นการละความชั่วเป็นการทําความดีจิตจะบริสุทธิ์ หล่าวความชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์ดีกว่าเก่าเป็นบุญเป็นกุศลฉลาดโง่เก่าปฏิบัติดีดีแล้วเปลี่ยนความชั่วเป็นความเป็นความล้ายเป็นความดีปฏิบัติดีแล้วตรงที่สุดปฏิบัติตรงหัวหลงเป็นรูตรงที่สุดหัวทุกเป็นรูตรงที่สุด ปฏิบัติออกจากตูปออกกับไรแล้วออกได้แล้วทำไ้แล้วทำได้แล้ ว, ลวปฏิบัติเป็นสถาบันง้นคงตลอดเวลาเป็นสถาบันงอนแง่นคนนอนเินว่าสติ มีมากขึ้นเหมือนแสงสว่างมีมากก็ํำจัดความมืดได้ถ้าแสงสว่างไม่น้อยค็กำจัดความมืดได้น้อยฝนงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นจนเป็นมหาสตินี่ต้องสร้างเอาคนอื่นสร้างให้มาได้ ชีวเราเพื่อการนี่ที่นี่ก็เพื่อให้มีงานเช่นนี้เกิดขึ้นกับทุกคนแม้ว่าเรามีงานอะไรเล็กหวางยางก็มีสติผู้พุงอาหารทำน้ำพีกก็รู้จึกตัวได้ล่างถ้วยล่างจานก็รู้จึกตัวได้กันร่างทำความดีปวดว่างก็รู้จึกตัวได้กันรางทำความดี หมข้าวกำลังทำความดีมีจิตใที่นั่นไม่ใช่ว่าล้ำบากยากลำบากจะไว้ใช้ชีวิตแบบนั้นสนุกไปกับการงานทำการงานชอบยิ่งเวลาเราเฉพาะชนตัวเดินจงกรม ง, งาน ส่วนตัวสิทธิส่วนตัวประกอบทุกมือเคลื่อนไหวไปมานี่ก็ยิ่งวิเศษอย่างไม่มีใครไม่มีอะไรแบ่แยกถ้ามีงานอะไรที่มันเกิดขึ้นออกจากกายก็ลู้จักตัวได้เหมือนกัน็เป็นงานชอบทุกรูปทุกแบบ ไม่เีเพียนตนไม่เบี่เบียนคนอื่นเด็ดขาดถ้าเราไม่มีสติอะไรก็ทุกข์ก็ยากปวดบ้านก็ยากล่างถ้วยล่าง้ามก็ยากปรุงอาหารก็ยากยที่เกียจชี้ก้านอ่ อ, อนแอไปเลยทางกิวิญญาณก็อ่อนแดไม่สู้ไม่เข้มแข็งจึงหัดกันหัดใหม่ๆก็เข้างานก็อาจจะปวดขาปวดเขน ต้นแขนต้นขาวางที่าเดินจนต้นขาแตกเอานะันขูดกองลงไปไม่นิสัยอะไรก็ขูดมันลงไปแว่าทุ ด, ดงคือขูดเกาลงไปไม่กลัวตางไม่กลัวยากลำบาก มีสติแกนก้าทลาไปสำลรักความชั้กักขังมาอยู่ก็โดดได้ดีเวลาใดที่มันไม่ใช่ความรู้จักตัวความรู้จักตัวเป็นสาสต์เป็นชิ้นก็ดโดดแสดงถึงความเปนก้ามีศรัทธาแปรก้ามีความ เหยนเทรน ก, าร ก, ารการ้ามีสมาธิเกรนก้ า, กาทลาไปข้ามไปมันก็มีนชนาติปนหนึ่งมันมีทุกข์เยได้เห็นทุกข์แล้วมันเจ็บเได้เห็นความเจ็บแล้วมันตายเห็นความตายมันเก่งตรงนั้นด้วย จนบอกใครได้หวั่นใจเูไืไอเวลาจนบอกไม่ตรงห่วงไม่ตรงห่วงได้ฝึกมาแล้วได้ฝึกมาแล้วเพื่อการนี่โดยตรงเวลามันเจ็บก็ไม่เจ็บเห็นเหมือนเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเวลามันตายเห็ น, ม, น, ม, น ม, มันตายไม่ได้เป็นผู้ตายไม่ตายพความตายไม่ได้เจ็บความเก็บเป็นเรื่องคนละอย่างสตินี่เหมืนอยู่เหนือโลก เมื่อเหมือมนเกิดเมื่อเกิดผลมาอยู่เหนือโลกความคเกลี่ยความเก็ีวกวยวผมต่อยมันเป็นลกูกเป็นธรรมชาติของลกูก <c oughs> อย่างเราจบไม่จบแยกกันจะเหมือนว่าเห <c oughs> มันมีน้ข้าเกิดมา <c oughs> ถ้าเราฝึกหัดเราใช้ความหนุ่มเฝึกไว้ ้ามีอายุยาวไปนานๆก็จะได้ใช้เป็นอานิสงส์ได้ความสำเร็จจบได้จบได้เรื่องกายเรื่องใจเรียนจบได้ไม่ใช่จบแบบแพทย์ไม่ได้จบแบบหมอจบหลักสูตรคือธรรมะอาการต่างาที่เกิดก็จะรู้หมด รู้หมดรู้ครบรู้ท่วนเลาเห็นทุกเรื่องทุกเหรอที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจิเลตพันห้าตันหาร้อยแปดเเห็นของเท็จของจริงที่มันเกิดขึ้นมาได้เกนฑชีวัดตัดสินใจด้วยความถูกต้องทุกทุ ก, ท ก, ทกแบบเป็นมาตรฐาน ของชีวิตเป็นอื่นไม่ได้หนึ่งเดียวคือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวกับใจเด็ดขาดมีเท่าไหร่ไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมามันจึงอยู่เหนือแก่เกิดแก่เจ็บตายได้ เป็นอย่างนี้พูทเจ้าสอนอย่างนี้หรือว่าเพื่อการนี้ชีวิตของเราเนี่ยพ่อแม่เราอาจจะทำไม่ได้หรือพ่อแม่เราอาจจะทำได้เคยดูยอดพูดโทษก่อนจะตาย บอกว่าไปต้องห่วงพ่อนะเวลายวพ่อเหลือตาต า, ตาเหลือกขึ้นมาหรือหน้าตาเวิยดเปี้ยวปากฉันอันอื่นไปแสดงว่านั่นพ่อมาจะอยู่ภาวะเช่นนั้นแล้วเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นได้ พ่อมาอยู่กับจริงเราแล้วไม่ต้องห่วงนะเหยาเรื่องนั้นหลกปาเป็นพ่อนะเวลาเหลือบตาอาปานอนตายัางไงก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าพ่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วพูดกันแบบแบบเข้าใจพูดเท่าแต่ว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแบบเราเราก็หงัด เป็นธรรมธรรมชาติเราลูบ ป, ประจบกับของเขานี่ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาพึงคัดเป็นแต่ความคิดก็เป็นทุกข์ก็มีความเปรียบก็ยิ่งเป็นทุกข์มีความตาก็ยิ่งเป็นทุกข์มีความไม่สบายเราก็มีแต่ทุกข์แต่ทุกมันมันโปะบางเกินไป จึงไม่น่าจะประมาทให้มันได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาจากที่ชีวิตเราได้มาเนี่ยนะอยู่กันด้วยอนูนี่เถอะพวกเราอย่าอยู่แบบอื่นพออยู่กันได้ก็ อ, อยากจะให้อยู่ที่นี่รับรองม่าจะไม่พาหลงทิศหลงทาง มีอะไรเกิดขึ้นก็บอกกันว่าที่นี่ก็มีเพื่อนมีมิตรหลาชีวิตทังพระทั้งโยมพอจะมิดกันได้อย่าทุกคนเดียวอย่าโกรกคนเดียวอย่าหลงคนเดียว <c oughs> มีอะไรก็ สนทนาปสาใสแล้วก็อยู่ด้วยกันบางทีสิ่งที่เราหลงเพื่อนเราไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์เพื่อนเราไม่ทุกข์สิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เพื่อนเราไม่คิดแล้วได้เปรียบเทียบขึ้นมาแชิงขึ้นมาคู่เขิงขึ้นมาก็าหลงเป็นคู่แข่งกับคมลูก ความโกรธเป็นคู่แข่งกับความรู้ความทุกข์เป็นคู่แข่งกับความรู้วิเลตัาหาเกิดขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับความรู้ไม่เมืนเชื่อมแข่งตรงที่มันอ่อนเลยตัวฝึกหัดถ้าไม่มีชัยชนะถ้าไม่สู้กับความยากลําบากก็เป็นพระเอกไม่ได้เป็นพระเอกในชีวิตก่อนที่เป็นพระเอกต้องสู้ ทุกขุยยากขุ่นลาบากเราขอเปลี่ยนพระเอกในความทุกข์ยากลําบากเราไม่ได้เปลี่ยนพระเอกเพราะคนมาตกแต่งให้ยกย่องขึ้นเราสู้มาเราเป็นพระเอกเองนี่คือให้เมืสิ่งที่น่าพึงใจกับชีวิตเราบาง เราสมควรจะเวลานะอาภัพพร้อมกัน